บุ๊กทูหกดับเ к ็ดลำดับเลขเดือนแรกคือเดือนมกราคม เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ธุริมิสเซ็ตส์ลูเตเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมเทรติมิสเซ็ตส์เบอร์เเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนชตร์เวอร์ติมิสเซ็ตส์ควเเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม Ц, เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน ц, หกเดือนคือครึ่งปี ц ів, ц มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาค ม, ม, ม เ, เ, เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม เดือนที ь, ่เก้าคือเดือนกันยายนเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมสิบสองเดือนคือหนึ่งปีกรกดาคมสิงหาคมกันยายน ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม